เพกขาวนี่เป็นไงอ่ะไม่ได้เอาไว้ยากแก้ไอามาให้เลยฮหมดไปแล้วมึงผู้ใดมีทุกข์อย่างไรเราก็ทงเหลียวแลกันอเราถงค้อเเรื่อคุณกันอย่างนี้แหละเมื่อท่องเที่ยวไปในสงสารเราจึงได้มีพักมีพวก ก็จึงได้มีมิตรมีสหายมีผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันเมื่อเราช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้มากเท่าใดเราก็มีมิตรมีสหายมากเท่านั้นแม้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคนเห็นแก่ตัวไม่คิดเผื่อแผ่คิดเอาแต่ตัวรอดฝ่ายเดียวเนี้ย่อม ไม่มีญาติไม่มีมิตรถึงเวลาเกิดอุปสรรคขัดข้องอะไรมาก็ไม่มีใครช่วยเหลือไม่ไม่มีใครมองเห็นคนเห็นแก่ตัวเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทุกคนนะต้องทำใจให้ก่วงขวางอย่าเป็นคนใจน้อยอย่าเป็นคนใจจืด <c oughs> ยิ่งเราเป็นนักบวชแล้วยิ่งต้องทำใจก่วงขวางเผื่อแพ่อดทนอดทนต่อความยากโคมลำบากกราบกรรมต่างๆอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีความกระทบกระทั่งต่างๆนี่นะหน้าที่เราผู้เป็นนักบวช ต้องให้เข้าใจถ้าใครไม่อดทนต่อเรื่องชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้แล้วไม่จัดว่าเป็นนักบวชที่ดีไม่เป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือของประชาชนต้องให้เข้าใจเป็นนักบวชที่ประชาชนจะเคารพนับถือต้องเป็นผู้อดทนต่อคำชั่วร้ายอย่างว่านั่นนะ จะเป็นใครก็ตามกระทบกระทั่งมาเราต้องอดต้องทนเราไม่ตอบโต้ไปในทางที่ไม่ดี <c oughs> เรานึกให้อภัยอยู่ในใจนู่นทำได้อย่างนี้คนทั้งหลายจะมองเห็นว่าเป็นผู้มีคุณธรรมมันสูงอยู่ในใจจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายเขาเคารพยำเกรง พอเรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปใช้อำนาจบังคับให้คนโน้นมากราบมาไหว้มานับถือนํไทายทานมาให้แก่ตนตามที่ตนต้องการไปทำอย่างนั้นไม่ได้นักบวชนะไม่มีกฎไม่มีระเบียบอย่างนั้นเลยต้องให้เข้าใจเป็นนักบวชนี่ <c oughs> เราต้องกระพื้ ทำให้สม่เสมอต้องมีคุณธรรมมันดีงามอยู่ในใจตั้งอยู่ในความสมงบระงับเมื่อประชาชนทั้งหลายเขาเห็นเข้ามันถ้ามีศรัทธาเลื่อมใสเองนับถือเองแล้วยินดีบริจาคยินดีเคารพกราบไหว้บูชาถวายจจตุปใจต่างๆ นี่มั น, น, น, นวิถีทางของนักบวชนะเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจเราจะไปบังคับให้คนอื่นมานับถือเราโดยฐานที่ว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะนั้นทุกคนนะทำอะไรก็หวังผลอันนั้น เราบวชมาเราก็หวังผลคือความสุขความสงบใจความไม่มีเวรไม่มีภัยนี่ความมุ่งหมายของนักบวชเพราะนักบวชนั้นไม่ไปแย่งซื้อแย่งขายกับใครเลยไม่ไปแย่งลาบแย่งยศกับใครนี่แต่ปฏิบัติมุ่งที่จะสละออกไป สละลาบยศสนเสริญความสุขได้แก่ความสุขชั่วคราวที่ชาวโลกทั้งหลายพอใจยิ่งนักแต่เราผู้เป็นนักบวชนี้ต้องสละออกไปไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านั้น <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นคุณธรรมของนักบวชอย่างหนึ่ง นักบวชนี้ถ้าว่าไปติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างที่ชาวโลกเขาดิ น, นรนแสวงหากันอยู่อย่างนั้นนักบวชผู้นั้นจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์พุดฟ่องไปไม่ได้เลยพรหมจรรย์ของผู้นั้นจะเศร้าหมองขุนมัวให้เข้าใจดังนั้นเมื่อ บวชเสร็จลงใ ห, ใหม่พระอุปชาจึงได้ให้โอวาทเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่าอนุศาสรหรือว่าอนุสาสนี <c oughs> ขอพระ พ, พุทธเจ้านั้นแหนะพระองค์เป็นผู้วางหลักเกณฑ์ไว้เ <c oughs> มื่อบวชเข้ามาแล้วยาวไปส่องเสษเมถุนธรรม อย่าไปเจตนาฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายอย่าไปเจตนาถือเอาสิ่งของอื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยอย่าไปกล่าวอวดอ้างว่าตนดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อหวังให้คนนิยมนับถือนำลาบสั ก, กระมาให้ต้องเว้นจากกิจ ที่ไม่ควรทำเหล่านี้ตลอดชีวิตพระพุทธองค์ทรงสแสดงว่าอย่างนี้และผู้เป็นอุปชาก็ได้นำออกมาสอนคุณลระพุทธผู้ที่บวชเสร็จในวันนั้นถ้าไม่ไม่สอนอย่างนั้นก่อนผู้บวชเข้ามาใหม่ไม่รู้จากทางผิดอย่างร้ายแรง เดียวก็ไปทําผิดอย่างไรแรงเข้าไปก็ขาดจากความเป็นภิกษุไปอถ้าเป็นสมณเณรก็ขาดจากความเป็นสมณเณรไปนี่มันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจทีนี้ทรงสั่งสอนให้ทําในสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ควรทําเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ต้องเที่ยววินทะบาร เลียงชีพตลอดชีวิตอย่าไปร้องขอต่อใครต่อใครให้นำอาหารมาถวายแก่ตนอุ้มบาตรหรือพายบาตรแล้วก็เดินไปตามถนนตามกรอกตามซอยใครมีศรัทธาก็ใส่ให้ไม่มีศรัทธาก็แล้วไปแล้วเพิ่งยินดีในผ้านุ่งผ้าหม่มตามมีตามได้ มีอย่างไรได้มาไงด้วยบุญวัสนารมีของตนจะเป็นอย่างเลวก็ดีอย่างปนิตก็ดีเราก็ยินดีเบอนุ่งห่มใช้สอยผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนั้นไม่ทะเยอทา ย, ยาน เ, เกินบุญวัฒนาสนาของตนไปบางคนไม่เป็นอย่างนั้นนเมื่อตนได้ผ้านุ่งผ้าห่มไม่ปณิตบรรจง ไปเห็นผู้อื่นนุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดเข้าไปนี่นึกน้อยใจอยากจะได้ผ้าเนื้อละเอียดอย่างเพื่อนอันนั้นมันก็เป็นกิเลสเป็นเครื่องคล้องอืเพราะฉะนั้นองคตเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราถือสันูธีตามมีตามได้เพื่อไม่ให้จิตใจมันไปนคล้องอยู่ในบริขารเครื่องใช้สอยต่างๆเนี่ยทรงสอนให้ ยินดีในเสนาสะนะที่อยู่ที่อาศัยสุดแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจัดให้อยู่ที่อยู่เสนาสะนะเช่นกุตลจะเป็นกุตลค่ำค่าสุดโทมอย่างไรก็ตามเราก็ยินดีถ้าสมควรที่จะซ่อมแซมอย่างไรเราก็ซ่อมแซมเอาไม่ต้องน้อยเนื้อต่าใจ ไม่ต้องเดือดร้อนใจเราทำให้มันดีขึ้นก็ได้คนมีปัญญาไม่ใช่ว่าจะไปหาอยู่ตั้งแต่เขาทำให้อย่างรู้หลาอย่างโอถงอย่างนั้นถ้าไม่ได้อยู่ที่เช่นนั้นแล้วไม่เอาในทาอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของนักบวช <c oughs> อันนั้นจะชื่อว่าเป็นคนโลภในเสนาสนะ เป็นกิเลส ต, ตัวสำคัญ น, น, นั่นเราต้องเข้าใจไว้เพื่อนจักให้อยู่เสนาสนะอย่างไรพออยู่ได้แล้วเราอยู่ไปเลยเมื่อเราทำคุณความดีเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยบุญกุศลความดีเนี่ยมันดนบันดาลให้หมุนไปในทางที่สะดวกสบายมันถึงหมุนไป เองมันมแต่เราทําความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันอันนี้บางคนบวชเข้ามาแล้วไม่ทันไรก็อยากให้คนนิยมนับถือทันทีอย่าให้เพื่อนยกย่องเอให้ได้อยู่ในที่อยู่อาศัยโอโถงสวยงามให้ได้ผ้านุ่งผ้าอมสวยงามให้ได้อาหารดีๆ ถ้าไม่ได้อย่างนั้นแล้วไม่เอาใน อ, อย่างนี้นี่ไม่ถูกเป็นนักบวชจะไปคัดเลือกจัดสรรเอาปัจจัยตามใจชอบของชนไม่ถูกต้องเลยต้องให้เข้าใจต้องถือสันตุธีตามมีตามได้ได้มาอย่างไรด้วยบุญวัสนาของชนถ้าเป็นของมีราคาแพงเป็นของ ปัญีต์บรจงได้มาแล้วเราก็ไม่ต้องยินดีไม่ต้องติดใจอยู่ในของเหล่านั้นต้องพิจารณารู้เท่าของเหล่านี้ถึงจะละเอียดปัญีตอย่างไรใช่ไปบริโภคไปนานไปมันก็ชารุดสุดโทมไปมันก็ํำรุดสุดโท ม, ม, ส, ส, โมสูญหายไปไม่ไม่ได้ไม่ได้คงที่อยู่ได้เลยพิจารณาลงไปอย่างนี้แล้ว มันก็คลายความยินดีพอใจในเครื่องใช้ไม่สอยอันปณิตย์ปัญจงนั้นนั้นเออมันก็วางใจพินกลางได้เช่นนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้สร้างกิเลสให้เกิดขึ้นในใจเพราะการบริโภคปัจจัยทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นคือเรื่องหยุกยาก็เหมือนกันนะอ่า เป็นโรคเป็นภัยมาอย่างเนี้ยอันยุกยานี่พระศ า, าสดาทรงผ่อนผันได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมาเราพิจารณาเห็นว่าอาหารอะไรมันสแสลงกับโรคอย่างนี้นะเราก็ไม่ฉันแล้วก็แจ้งให้ผู้นําอาหารมาให้นั้นว่าอาหารอย่างนั้นถูกกับธาตุไม่สแสลงกับโรค นี่บอกได้สำหรับผู้ป่วยอันนี้นะใครๆว่าขอานั่นหละไปขออาหารที่ไม่แสลงกับโรคนี่เนอะมันตรงนี่เรื่องเรื่องไอ้อาหารเนี่ยทรงพรผันในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องให้เข้าใจไว้ ถ้าหากว่าเป็นนักบวชนี่ไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่าปัจจัยสี่นี่มันก็เป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเหมือนกั น, นให้เข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ก่อให้เกิดกิเลสอะไรพ ร, ระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสอนให้เรศ พิจารณาก่อนจึงบริโภคปัจจสี่ไม่บริโภคด้วยตัณหาเหมวอาในอภินหาปัจจเวกนันในยะถาปัจยังเหมือนให้พิจารณาลงไปเห็นเป็นแต่สักวธ า, าต์ลินน้ำไฟลงเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเราบริโภคปั จ, จัจเหล่านี้ก็ เพื่อเยียวยาชีวิตอันนี้ให้เป็นอยู่ไปชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วเราจะได้ประกอบกุศลคุณงามความดีไปชำระกิเลสไทยนะเบาบางออกไปจากขิดใจไม่ใช่เราบริโภคปัจจัยสีน่นี่เพื่อความสวยงามเพื่อความอ้วนพีเพื่อความสนุกสนาน อะไรทํานองนี้ถ้าใครคิดว่าตนจะบริโภคอาหารอย่างที่ว่านั่นอันนั้นเป็นโทษ ม, มีโทษเสียียมีมโทษทางใจก่อให้เกิดกิเลสไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณประโยชน์อะไรพระศาสดาทรงตรัสว่าบุคคลบริโภคปัจจัยสี่นี้ไม่พิจารณานี่ เหมือนบริโภคก้อนเหล็กแดงมันเป็นอย่างนั้นเหล็กเหล็กที่เผาไฟแดงโลกนนะนะเอาไปกืนเข้าในลำคอมันไม่เจ็บปวดทุกขเวทนาฉันใดบุคคลผู้บริโภคปัจจัยสี่ไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่ามีความยินดีพอใจหรือมีความไม่พอใจในปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านั้นอย่างนี้ จนเป็นเหตุให้ร่วงสิกขาบทวิในเพราะความดิ้นรนทะเยอทะยานไปในปัจจัยทั้งสี่อันนั้นอย่างนี้มันมีโทษมันเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าดัางนั้นนะให้พากันมีสติเวลาเราขบชันอาหารก็ดีนุ่งผมนุ่งผ้าหมผ้าก็ดี ก็พิจารณาให้รู้เท่าตามจริงอย่างที่ว่านั่นเลยอย่ยาอยา่าอย่าคบฉันไปโดยไม่มีสติโดยไม่ได้พิจารณาแยบพลายอะไรอย่างนั้นนี่มันเป็นโทษเลยทำให้เกิดกิเลสตัณหา น, านานาประการเป็นอย่างนั้น <c oughs> อะไรอะไรมันก็ต้องอยู่ในดุลยพินิษ์ทั้งนั้นเลย ธรรมดาเป็นนักปฎิหรือธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมเราทําอะไรนั้นพูดอะไรนั้นไม่ได้ทําด้วยความเผลอด้วยความหลงลืมด้วยความสัเพร่าโดยโดยไม่ได้คิดแยกกายซะก่อนทําไปด้วยอํานาจแห่งกิเลสตัณหาออย่างนั้นน่ยมันไม่ไม่ไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะ ผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันต้องมีสติสัมปชัญญะก่อนจะทำอะไรพูดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องกลั่นกรองซะก่อนต้องพิจารณาแยกใครในเรื่องที่ตนจะทำจะพูดนั้นเสียก่อนเมื่อเห็นว่าไม่ไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็จะค่อยทำค่อยพูดไปถ้าเห็นว่าผิดศีลผิดธรรมเราก็งดไม่ทำไม่พูด ผู้ปฏิบัติธรรมนะมันต้องต้องอย่างนี้นะให้เข้าใจอืมอันอยู่ด้วยกันนะเพราะไม่มีอุบายเยียบภาย ใ, ใ, ในใจนั่นแหละมันถือเอาความพอใจหรือไม่พอใจเป็นเครื่องํำเนินไปอย่างนี้เวลาใครทำอะไรไม่พอใจก็ไม่มีความอดกันยับยั้งใจไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ตอบโต้กันไป อันนี้ก็ไม่ถูกอีกไม่ไม่สมกับว่าผู้เป็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบระงับหมายความว่ามีใจสงบระงับจากกิเลสบาประธรรมต่างๆที่ได้นามว่าสมณะนี่นะคำนี้ไม่ได้หมายเอาแท่นปวดแม้เป็นครืงหัดถ้าหากว่ามีใจสงบระงับจากกิเลสบาปธรรม ได้ก็จัดว่าเป็นสมณะเหมือนกันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นเราผู้ได้นามว่าสมณะนี่นะสมณะหรือว่านักบวชเนี่ย <c oughs> มันต้องให้รู้จักคุณธรรมของสมณะหรือนักบวชอย่างที่ว่านี้แล้วจเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนให้ได้อื สรุปแล้วเดบว่ธรรมตนเป็นคนมักน้อยสันโดษในปัจจัยสี่เครื่องอาศัยต่างๆตามมีตามได้ไม่โลภมากโลภาแล้วเมื่อได้ปัจจัยสี่นั้นมาแล้วก็พิจารณาก่อนจึงค่อยบริโภคใช้สอยอ แล้วก็ยังพิจารณาให้ลึกเข้าไปอีกเช่นอย่างผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้ถึงจะเป็นของใหม่ๆแต่ถ้าเราเอานุ่งห่มเข้าไปในห่อเข้าร่างกายอันนี้ไปเหงื่อไค่ไหลออกมาถูกผ้านุ่งผ้าห่มเ่านี่ยเปื่อนไปทรงกลิ่นเหม็นไปทำให้ผ้านุ่งผ้าห่มนี่เศร้าหมองไป นี่แสดงว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรสะอาดสดสวยเลยเราดูกันได้อยู่นี่เพราะมีผ้านุ่งผ้าหม่มห่อไว้เฉยๆถ้าลงเปลืองผ้านี้ออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยพิจารณาให้มันลึกซึ้งเข้าไปที่นี่ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันนะไอ้ที่มันยังเปล่งปลั่งอยู่ได้นี่นะ ที่มันไม่ทูกไม่ขอไม่เหิวแห้งลงไปก็เพราะอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงไว้ทีนี้อาหารที่หล่อเลี้ยงร่างกายนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรนี่เป็นของโสกโปกอ่ะทีนี้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันก็ไปทําร่างกายนี้ให้โสกโปกเหมือนกันดีกบ่า น, นีนะ้นั่นแหละแตะโดยอาศัยในหนังหุ้มไว้เฉยๆนี่ สิ่งสกครกทั้งหลายมันจึงไม่ปรากฏออกมานั่นตองพิณาให้ลึกเข้าไปอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทำไมเราเราจรึงไปหลงรักหลงใครเอานักหนาะรูปกายอันนี้ทำไมยังขวันขวายประดับตกแต่งเอาจนหรูหราเกินประมาณบางคนนะลืมตัว เอาสายสร้อยต้มหูแหวนเพชรสร้อยคอหนักสี่บาทห้าบาทนะเอาประดับประดาจนเขาจนเขาเรียกว่าพวกตู้ทองเคลื่อนที่เพราะโจรมันเห็นเข้าน้ำลายมันไหลอันมันก็วนเวียนในบ่นวาวางแผนนะเพราะเจ้าตัวเผลอแล้วมันกี้เอาเลยมันกระชากเอาเลยอย่างนี้นะ ถ้าไปขัดขืนต่อสู้มันยิงซ้าตายขาตายแล้วมันก็ปลดเอาเครื่องประดับนั่นไปขายเลี้ยงชีไปเนี้ยพวกลืมตัวอยากจะให้คนทั้งหลายยกจ้องงวาตนนั่นมั่งมีสีสุขว่าตนนั่นสวยงามหาเครื่องประดับประดามานั่นลืมตัวเอาจิงๆเนะียคนเรานันเป็นอย่างนี้เลย จนว่าตัวตายไปเยอะแยะตายก็เครื่องประดับนี้มากมายนะในโลกเนี่ยไม่ว่าแต่คนไทยแนะคนไม่ชคนฝรั่งมังคาดที่ไหนชาติใดก็ตามลูกกิเลสเนี่ยมันจะตัวเดียวกันเลยฮนะตัวเดียวกันแท้ๆสำหรับผู้ที่รู้ทำคำสอนของพระเจ้าแล้วอย่างนี้ผู้ที่พิจารณาเห็นร่างกายสังขาร ไม่จีรังยั่งยืนไม่มีอะไรสวยงามอย่างว่านี่นะมันก็จะต้องตกแต่งร่างกายในพอสมาทสมควรนะแล้วก็นึกถึงภัยแห่งชีวิตเมื่อเวลาที่ไม่ควรประดับตกแต่งก็อย่าไปตกแต่งมันถ้าพี่นาเห็นว่ามันจะปลอดภัยอย่างนี้ก็จึงค่อยประดับประดาไปธรรมดาคนไม่หลงไม่เมาไม่ลืมตัวเกินไปมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพื่อรัก สาชีวิตอันมีค่าเหล่านี้นะให้มัน อ, อยู่ในโลกนี้ไปแล้วได้สะสมบุญกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดีกว่าที่จะมาตายโดยที่มันยังไม่หมดบุญหมดอายุสังขารตายเพราะห่วงเพราะห่วงทรัพย์สมบติภายนอกอตายเพราะ ความอยากจะ ด, ดังอย่างนี้น่าเสียดายจริงๆนะฉะนั้นผู้ใดได้ฟังคำแนะนำตักเตือนอย่างว่านี้แล้วควรตื่นตัวกันนะรักษาชีวิตอันนี้ไว้เพื่อสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นไปดีกว่าที่เราจะไปเพิดเพลินจเจริญใจกับโรคสนิวาตอันนี้มันไม่มีอะไรดอกกีรังยั่งยืน ถึงเราเพลิดเพลินไปมันก็ไปได้ชั่วแล่นเท่านั้นนีสักหน่วยเดียวหนอหนึ่งก็สิ่งที่เพลิดเพลินนั้นก็แปลปรนไปแล้วแตกดับไปแล้วนี่ไม่มีอะไรที่จะให้เราเพลิดเพลินได้ตลอดไปไม่มีดังนั้นควรพิจารณาให้ดีเมื่อผู้ใดได้มาปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระเจ้าอย่างนี้นะ ชีวิตของผู้นั้นก็ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีศัตรูแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวว่าใครจะมาอิจฉาเบีดเบียนตนใครจะมาล้างขรานชีวิตของตน อ, อ, อย่างนี้นะก็สบายใจเช่นอย่างคนไม่ต้องมีเครื่องประดับอะไรอย่างนี้ใครเห็นเขาเขาก็ไม่สนใจห สนใจว่าจะมายือแย่งเอาอะไรผ้านุ่งผ้าห่มกับคอสมมาสมควรไม่ไม่เวววาวไม่หรูหราจนเกินประมาณให้พอบดิบพอดีอย่างนี้แล้วก็มันก็สบายใจมากการอยู่ในโลกอันนี้การพูดการจาการทำอะไรก็รามัดระวังอย่าให้ไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจ ไอคนที่มันเบียดเบียนกันอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปกระทบกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้นะฝ่ายที่ถูกกระทบกระทั่งนั้นผูกอาฆาตไว้เนี่ยเมื่อได้ช่องได้โอกาสเมื่อใดก็ตอบโต้กันไปเมื่อนั้นทำให้เกิด มีกรรมมีเวรผูกพันกันไปไม่สิ้นสุดลงได้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจสำรวมระวังตนให้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนมาแล้วเราก็จะเป็นผู้มีบุญมีกุศล ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจจะเป็นผู้ไม่มีบาปอยู่ในใจถึงมีก็คงน้อยเต็มทีแต่อย่างนั้นเพราะว่าเป็นผู้ทำอะไรพูดอะไรนั้นมีสติสมัชัญญาสำรวมระวังตนอยู่เสมอเสมอไปไม่เผลอตัวควบคุมจิตใจดวงนี้เสมอ ระวังภัยมันจะมาถึงภัยก็คือความชั่วร้ายต่างๆนั่นแหละเราจะไปห้ามได้อย่างไรอ่ะมันห้ามไม่ได้นะเราจะห้ามคนอื่นไม่ให้เขากระพือชั่ว ต, ต่อตอนอย่างนี้ห้ามไม่ได้เราไม่ต้องไปคิดว่าจะห้ามเขาอย่างนั้นเราต้องคิดว่าเราห้ามเราดีกว่าอย่างนี้ เราห้ามคนอื่นนั่นเราเราไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเขาได้เตือนตนเข้าไปอย่างนี้ผู้ใดเตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็ระวังตัวอยู่เสมอทีนี้เมื่อเวลามีเรื่องชั่วร้า ย, ยานั้นกระทบกระทั่งมามันก็ห้ามจิตใจตัวเองได้เลยเพราะว่าตนเองคอยระวังตัวอยู่เสมออย่างว่านั้นนะมันก็เลยไม่มีเรื่องชั่วร้ายอะไรเกิดขึ้นนี่เพราะว่า ทุกคนให้รู้ว่าตนนั้นยังละกิเลสหรือว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมัน่นยังไม่หมดนะละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นแต่บางอย่างยังละไม่ได้จะให้รู้ตัวอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรายังละไม่ได้อย่างนี้กิเลสอะไดที่ยังละไม่ได้นี่แหละมันเป็นเชื้อวันนี้นะ ถ้ามีเรื่องไม่ดีภายนอกกระทบเข้ามามันก็ทำให้กิเลส ท, ที่เป็นเชื้ออยู่ในใจลุกโผงขึ้นมาเหมือนไฟที่มันหมกอยู่เท่านั้นแหละหอโยนใบไม้แห้งเข้าไปเท่านั้นเนี่ยเดียวเดียวก็ลุกวื้อขึ้นมาเลยอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันนะกิเลส ท, ที่หมักดองอยู่ในจิตใจของคนเรานี่เมื่อเวลามันยังไม่มีเหตุอันสมควร แก่กันมากระทบกระทั่งเข้าอย่างนี้มันก็สงบตัวอยู่นั่นเหมือนกับไม่มีกิเลสเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้พอมีเรื่องอันไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาวันนี้มันก็ทําให้กิเลสที่มันหมกตัวอยู่นั้นฟูขึ้นมาเอเหมือนกับไฟมันได้เชื้อนั่นเองนะนี่ต้องให้เข้าใจอย่าไปโนอนใจอย่าไปนึ ก, กว่าเราไม่มีกิเลส อยู่ในใจแล้วเลยไม่สํารวมตนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะถ้าว่าท่านผู้ละคิเลตมันเป็นธรรมชาติที่เรียก ว, ว่ามันเป็นการสํารวมอยู่ในตนนะเพราะว่ามันไม่มีเชื้อที่จะให้ก่อกิเลสขึ้นมาอีกดังนั้นแม้จะมีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็อยู่เหมือนเดิม จิตอันนั้นน่ะมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันบริสุทธิ์อย่อางไรก็บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่มีเชื้อที่จะให้ยึดถือเอาไอ้เรื่องภายนอกเข้ามาไว้เลยเรื่องใดกระทบเข้ามาจิตนี่ไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปเรื่องนั้นนั้นมันก็หายไปหมดไปจิตของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็เป็นปกติอยู่ตามเดิม นั่นท่านผู้หมดกิจที่จะต้องทำแล้วอันนั้นนะท่านจึงมีความสบายมาก <c oughs> ให้เข้าใจแต่ผู้ที่ยังมีกิจที่จะต้องทำคือยังมีกิเลส ท, ที่จะต้องเพียรละอยู่นี่นะ <c oughs> จะไปนิ่งนอนใจไม่ได้เลย <c oughs> ต้องระมัดระวังตัวอยู่นั่นต้องก่าประคองกิจที่มัน ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอนี่มาแล้วนั่นให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปเป็นรากฐานไปทีนี้พอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาหากจิตนั้นฉลาดรู้เท่าทันแก้ไขตัวเองไม่ให้ยึดไม่ให้ถือเรื่องชั่วร้ายเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกได้ นั่นก็ได้ชื่อว่าได้เพิ่มความรู้นั่นให้ยิ่งขึ้นไปอีกอืมขั้นหนึ่งเป็นไปอย่างนั้นดังนั้นไอความรู้นี่ที่มันจะยิ่งได้นั่นนะเพราะมันได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันยิ่งขึ้นเองเนยไม่ไม่ใช่ให้เข้าใจ มันต้องต่อสู้กับมานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นนนะเอากิเลสชนิดไหนเกิดขึ้นมาเราไม่ทอ้อเราไม่ถอยเราสู้กับมันหาอุบายละมันเมื่อเรามีอุบายเย็ยบคลายละมันได้ออมันกำลังใจหรือกำลังความรู้อะไรมันก็ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะเอากิเลสอันใดที่ยังละไม่ได้ เผอเผอแล้วมันโผล่ขึ้นมาเรากําหนดละมันลงไปอืมอย่างเนี้ยเรากําหนดละมันไปมันเมื่อเราไม่ส่งเสริมมันเอเราไม่ยึดถือมันเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้กิเลสเหล่านั้นอย่างนี้เลยมันก็ดับไป ถ้าว่าเรื่องชั่วทั้งหลายกระทบกระทั่งเข้ามาจิตใจอ่อนแอพับไปตามเรื่องชั่วเหล่านั้นเสียจใจตั้งมั่นอยู่ไม่ได้วันไว้ไปเสเลยอย่างนี้ผู้นั้นก็ความรู้ของผู้นั้นก็ไม่ยิ่งนะ อ, อันนี้ไม่ยิ่งก็อ่อนพับไปตามกิเลสไปเลย ก็ตกเป็นท่าของกิเลสไปเป็นอย่างนี้เรื่องมันนเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเราอยู่เฉยๆแล้วมันจะมีความรู้ความฉลาดขึ้นในใจไม่ไม่ใช่นนั้นมันเมื่อมันมีเหตุร่อะไรเหตุอะไรเกิดขึ้นในกายในจิตแล้วเราต่อสู้กันไปเราพิจารณากันไปให้เกิดความรู้แจ้งในเรื่องนั้นๆตามเป็นจริงได้ สิ่งใดที่เห็นว่าควรละคนละมันไปได้อย่างนี้นะนั่นแหละมันทําให้เกิดความรู้ยิ่งให้พากันเข้าใจเ <c oughs> มื่อเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็จะไปย่อท้ออย่าไปโทษคนอื่นว่าคนนั้นนะข่มเหงเราเบียดเบียนเราดูถูกดูหมิ่นเราอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้น ห, หรือถ้าไปคิดอย่างนั้นไปวิตกอย่างนั้นแล้ว ความโกรธหรือความน้อยเนื้อสําใจในก็เกิดขึ้นมาไม่มีไม่เป็นผลดีอะไรต่อผู้นั้นเลยออให้เข้าใจอย่าไปถือว่าเขาเบียดเบียนเราให้ถือว่ามันเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสอยู่เมื่อกิเลสของเขามีอย่างไรเขาก็แสดงออกมาอย่างนั้นเพียงแค่นั้นเลยทีนี้เมื่อเราเห็นว่าอันนั้นคือความชั่วของเขา เราอย่าไปถือเอามันมาขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วเราไม่ต้องการไม่ใช่หลือนี่แน่นอนนะขึ้นชื่อว่าของไม่ดีแนละ้ว ม, ม, มีใครต้องการเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปยึดถือเอาความชั่วเข้ามาทําไมอ่ะนี่ก็ต้องสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้เมื่อผู้ใดสอนใจของตัวเองได้อย่างนี้มันก็ไม่ยึดถือเอาความชั่วของคนอื่นมาเอาใครจะด่าจะว่าไง ใครจะติชิ้นนินทาว่าไรอย่างนั้นก็ว่าไปนั่นเรื่องของเขานี่เรื่องของเราเราเราไม่ชอบพร้อมช่ว ย, ยนั้นเราก็ไม่ยึดถือเอาแล้วมันก็ดับไปเองมันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเองมันเมื่อใจไม่ยึดถือเอาแล้วอนี่แหละการปฏิบัติธรรมนะให้พากันเข้าใจอืม อย่าไปกลัวความชั่วอย่าไปกลัวกิเลสถ้ามันถ้าไม่มีความชั่วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้คนเราปฏิบัติธรรมขอให้เข้าใจเพราะว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องระงับความชั่วออกจากกิจใจของคนเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้า ความชั่วไม่มีในใจในกายของคนเราแล้วเพราะองค์จะไม่ทรงแสดงธรรมะให้คนเอาไปปฏิบัติตามเลยนในพิจารณาอย่างนั้นเ <c oughs> <c oughs> มือ่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้จะเป็นผู้ยินดีพอใจในธรรมะคําสอนของพระเเจ้าเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวจิตใจจะไม่จืดจางจากพระธรรมคําคสอน เมื่อใจมันดูดดื่มในพระธรรมคําสอนแล้วมันก็คลายจากกิเลสไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นมันจะยินดีพอใจพร้อมๆกันไปไม่ได้อไม่ได้นะดังนั้นถ้าใจมันยินดีพอใจไปในทางกิเลสมันก็เบื่อหน่ายในธรรมะอแม่ท่านจะสอนให้ น้อมเอาธรรมะเหล่านั้นไปเจริญไปพิจารณาให้เกิดที่มีมันก็ไม่เอาไม่ยอมรับรู้เลยไม่จําเอาไว้ซ้ําเลยนั่นแหละไอ้จิตที่มันมันมันม่นมันเองไปในทางกิเลสตัณหาแล้วมันเป็นอย่างนั้นดัง <c oughs> นั้นเราต้องพอใจในธรรมะอย่าพอใจในกิเลสเพราะว่า จิตดวงนี้นะมันมันยินดีพอใจในกิเลสมานบักติไม่ทวนแล้วกิเลสมันพาเยวเกิดแก่เจ็บตายพาไปตกนรกหมกไมมมาก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแต่มันลึกชาติหลุนหลังไม่ได้เฉยๆหรอกตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเรานะทรงสร้างพระบารมีมาในสงสารพระองค์ก็ยังนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง พระ อ, องค์ระลึกชาติหนหลังของพระ อ, องค์ได้ว่าชาตินั้นชาตินั้นน่ะเราได้ทําความช่วยอย่างนั้นตายแล้วไปตู ก, รกนรกต้นอย่างนี้นะพระ อ, องค์ไม่ได้อายใครหรอกไม่ได้กลัวว่าใครจะดูถูกรู้มินนะที่พระ อ, องค์เจ้าทรงนํามาแสดงอย่างนั้นนะเพื่อที่จะให้ผู้ผฟังทั้งหลายนั้นนะได้รู้ว่าอาการทําความชั่วยอย่างนั้นนะมันไม่ดีเลย กรรมชั่วนั้นมันนำไปสู่ทุกข์จริงๆพระองค์ได้พบได้ประสบมาแล้วเราผู้เป็นบริษัทของพระองค์เราจะต้องเว้นจากความชั่วเหล่านั้นให้ได้นี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อได้ฟังประวัติของพระองค์อย่างนั้นแล้วก็เอาเป็นอุบายเตือนใจทั้งชนให้ละความชั่วเหล่านั้นออกไปเช่นนี้แล้วชีวิตของคุณมักก็ห่างไกลจาก ทุกขติภูมิมีนรกเป็นต้นเรื่อยไปถ้าบุญบา ร, รมียังไม่เต็มเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในมราคสงสารนี่เอาตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์ตายจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดมนุษย์โลกอันนี้มาสร้างบุญบา ร, รมีบุญบรรณบันดาลให้มาเกิดในยุคในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นหรือมี ศาสนาของพระพุทธเจ้ายั่งอยู่เหมือนอย่างเราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้หละก็เราก็มาได้พบพระพุทธศาสนานี่และจะได้มาศึกษามาสดับตรับฟังคําสอนของพระองค์แล้วอาศัยบุญเก่าโน้นะมาช่วยสนับสนุนให้เรารู้แจ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า เป็นนิยานิการทำนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกพ้นภัยได้จริงๆไม่ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะกลัวว่าแต่ละคนจะมามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยถ้าไม่อาศัยบุญกุศลหนนหลังที่ตนเคยทำมาเคยเลื่อมใสมาเป็นนิสัยประัยติดตามมาแล้วไม่หรอกดูจากคนทั่วทั่วไปเป็นไงอะ ว่านับถือพุทธศาธสนาจริงอยู่แต่แล้วก็สนใจเรื่องศาสนาเพียงเบาบางๆไปเพลานั่นเลยเดือนทีปีหนเข้าวัดครั้งหนึ่งเข้าวัดก็แค่ได้ทําบุญทําทานตักบาตรหยาดพกไปเท่านั้นเองอันซึ่งจะสนใจในการฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสนใจในการรักษาศีลสนใจในการไหวพระภาวนาอย่างเนี้ย มีน้อยเต็มทีนะส่วนมากไม่ค่อยสนใจเนอ่ยเสังเกตดูเพราะอะไรเราถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนวันแต่ชาติก่อนเขาก็ไม่สนใจมาเหมือนกันนะ เ, เขาสนใจแค่กินกินดานดานตามโอเพนีเท่านั้นเย่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นบุญกรรมอันั้นมันก็มาตกแต่งให้แค่นั้นแหละสาหรับผู้ที่สนใจในทมคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้ลึกไปกว่านั้นแต่ชาติก่อนนู้นนะมันก็เป็นอุบาิสัยปัจจัยติดตามมาในชาตินี้จึงว่ามาเกิดความสนใจในคำสอนของพระเจ้าอย่างแรงกล้าพยายามประพฤติปฏิบัติถัดตามจนครบวงจรให้ได้ เ, ออเป็นอุวาสกวาสิกาอย่างนี้นะเออพียรพยายามทำบุญทาทาน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะ น, นำสั่งสอนด้วยว่าให้ทานอย่างไรจึงมีผลมากศึกษารู้เข้าใจแล้วพยายามให้ทานอย่างนั้นไม่ใช่ว่าออคิดได้ยังไงก็ให้ทานไปอย่างนั้นไม่ไม่ได้พิจารณาให้ลึกซึ้งอะไรอย่างนี้ อ, นอันอย่างนั้นเรียกว่าให้ทานแบบไม่ไม่มีปัญญา ให้ไปโดยโดยปาสจากเหตุผลออผลที่มันจะได้ก็ไม่ไม่มากออให้แบบปราสิจากเหตุผลสำหรับผู้ที่ให้ทานนะั้นที่มีปัญญาแล้วก็ต้องพิจารณาเหตุผลในการที่ตนจะให้นั้นให้มันเจีมแจ้งในใจก่อนตนจะให้ของสิ่งนี้สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับอย่างไรบ้างหรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างไรบ้าง เอออย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุให้ความโลคความเจ็บหนีในหัวใจมันเบาบางไปอย่างไรบ้างนี่ตอพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วว่าออการให้ทานนี่มีประโยชน์จริงมีประโยชน์แก่ตนด้วยแก่ผู้อื่นด้วยแก่ประโยชน์ในปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยอย่างนี้ ไม่มีโทษการทําการพูดอย่างนั้นอย่างนั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วกดทําบุญให้ทานไปอย่างนี้มันก็มีผลมากเนี่ยเพราะมันเป็นประโยชน์มากเรื่องมันอ่มันเป็นอยงนั้นแม่รักษาศีลก็เหมือนกันนะมันต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยรักษาอย่างไรจึงมีผลมากนี่เอากล่าวโดยรบลดว่า การรักษาศีลนี่ที่จะมีผลมากนั้นเรารักษากายวาจานี้เพื่อป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจเท่านั้นไม่ใช่รักษาศีลเพื่ออวดอ้างคนนั้นคนนี้เพื่อให้เขายกย่องสรรเสริญให้เขานำลาบสกการะอะไรต่ออะไรมาให้ไม่ได้มุ้งอย่างนั้นมุ่งป้องกันบาปอกุศสต่างๆความชั่วต่างๆ ไม่เกิดขึ้นในกายวาจาใจถ้าใช้อุบายเยบคลายอย่างนี้แล้วรักษาศีลไปอย่างนี้นะมันก็ได้บุญมากก็มีผลมีประโยชน์มากนั่นแหละภาวนาก็เหมือนกันนะเราภาวนาไม่ใช่มุ่งลาบสักการะอะไรไม่ใช่ใครยกย่องสรรเสริญไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เห็นบัตรเห็นเบอร์ใ ห, ให้ร่ำให้รวยทรัพย์สินเงินทอง ม่อย่างนั้นนี่เราภาวนาเพื่อส่องดูหัวใจตัวเองเนี่มันมีความชั่วอะไรแฝงอยู่ในบ้างแล้วก็จะกาจัดความชั่วนั้นออกไปมันหลงถือมั่นว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนห ร, หรือมันไม่ถือมัน่นนี่เราจะได้รู้จิตใจตัวเองถ้ามันถือมั่นอยู่ก็จะพยายามละความถือมั่นอันนั้นไปให้มันหมดไปสิ้นไป อย่างนี้แหละเป็นทางพ้นทุกพ้นภัยในสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้